คุณค่าและการปฏิบัติธรรมเสียงที่ไพเราะที่สุดชาชาราชาวบ้านคนหนึ่งเดินทางเข้ามาในเมืองใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเขาเติบโตในหมู่บ้านบนภูเขาไกลโพ้น ทำงานหนักตลอดชีวิตเลี้ยงครอบครัวบัดนี้เขากำลังมีความสุขกับการเดินทางมาเยี่ยมบ้านอันทันสมัยของลูกๆเป็นครั้งแรกวันหนึ่งขณะที่ลูกๆพาเขาไปเที่ยวรอบเมืองชายชาราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งซึ่งสนุกหู เขาไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่บาดหูขนาดนี้มาก่อนเลยในหมู่บ้านอันแสนสงบบนภูเขาและเขาก็ยืนกรานที่จะรู้ให้ได้ว่าเสียงนั้นเกิดจากอะไรเขาเดินตามเสียงที่แสบหูนั้นมาจนถึงต้นต่อเขาก็มาถึงห้องหลังบ้านที่เด็กผู้ชายเล็กๆคนหนึ่งกำลังฝึกซ้อมไวโว่ลิง อีแอ่อแเสียงครวญครางจากไวโอลินที่เป็นเพี้ยนจากตัวนนทเมื่อลูกชายบอกเขาว่าสิ่งนั้นเรียกว่าไวโอลินเขาคิดในใจว่าเขาจะไม่มีวันอยากฟังไวโอลินที่แสนจะแย่นี้อีกแน่นอนวันรุ่งขึ้น ที่อีกด้านหนึ่งของเมืองชายชาราได้ยินเสียงเสียงหนึ่งที่ฟังแล้วแสนจะรื่นหูอันชาราภาพของเขาเขาไม่เคยได้ยินได้ฟังท่วงทํานองที่ไพเราะมีสเสน่หเช่นนี้มาก่อนเลยที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจึงต้องการที่จะหาที่มาของเสียงเขาติดตามเสียงที่ให้ความสุขใจนั้นไปจนถึงต้นต่อของมัน เขาเข้าไปในห้องที่อยู่ด้านหน้าของบ้านแล้วพบสุภาพสตรีชาราผู้หนึ่งซึ่งเป็นนักดนตรีผู้เที่ยวชานกำลังสีไวโอเล็์เพลงโซนาต้าอยู่ทันใดนั้นชายชาราได้ตระหนักถึงความรู้เท่าไม่ถึงการของเขาเสียงแย่ๆที่เขาได้ยินเมื่อวาน ไม่ได้เป็นความผิดของไวโอลินหรือแม้กระทั่งเด็กผู้ชายคนนั้นมันก็แค่ว่าหนุ่มน้อยคนนั้นจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือของเขาให้จำนานขึ้นเท่านั้นด้วยปัญญาของชาวบา้านผู้ใช้ชีวิตเรียบง่ายชายจราพิจารณาว่า เรื่องของศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันนี่แหละเมื่อเราได้เจอะเจอผู้มีศรัทธาในศาสนาที่มีความคิดขัดแย้งเพราะความเชื่อของเขามันย่อมเป็นการไม่ถูกต้องที่จะกล่าวโทษศาสนามันก็แค่ว่าเขาผู้นั้นยังจะต้องเรียนรู้ศาสนาให้เข้าใจท่องแท้ยิ่งขึ้นและเมื่อเราได้พบผู้มีจิตใจสูงและแตกฉานในศาสนา เราจะรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์อันแสนพิเศษที่สามารถจันลงใจเราไปได้อีกหลายปีไม่ว่าความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นอะไรก็ตามแต่เรื่องยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะในวันที่สามณอีกด้านหนึ่งของเมือง ชาชจาราก็ได้ยินเสียงที่ไพเราะจับใจเสยุ่งกว่าเสียงดนตรีจากนักไมโอลินเองโยมคิดว่าเสียงนั้นคืออะไร มันเป็นเสียงที่ไพเราะยิ่งกว่าเสียงทา น, น้ำตกในฤดูใบไม้ผลิยิ่งกว่าเสียงลมวิวผ่านป่าละม่อในฤดูใบไม้ร่วงหรือยิ่งกว่าเสียงนกภูเขาร้องเพลงหลังฝนตกหนักมันเพราะยิ่งกว่าเสียงแห่งความสงบในหุบเขาใ น, ขนค่ําคืนฤดูหนาวที่นิ่งสนิท เสียงที่ผลักดังหัวใจของชายชาราอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนั้นคือเสียงอะไรมันคือเสียงดนตรีที่วงออเคสตราวงใหญ่กำลังบรรเลงอยู่เหตุปัจจัย ที่เสียงนั้นเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดในโลกที่ชายชราเคยได้ยินได้ฟังมานั้นเป็นเพราะประการแรกนักดนตรีทุกคนในวงออเคสตรามีความแตกฉาในเครื่องดนตรีที่ตนเล่นและประการที่สองเขาได้เรียนรู้และฝึกซ้อมที่จะร่วมกันบรรเลงให้ประสมะสาน และกลมเกลือนกันที่สุดขอให้มันเป็นเช่นเดียวกับเรื่องาศาสนาเถอะชายชราคิดขอให้พวกเราแต่ละคน ได้เรียนรู้จากบทเรียนแห่งชีวิตให้มีความเชื่อและจิตใจที่อ่อนโยนขอให้เราแต่ละคนเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและความรักตามคําสั่งสอนในาศาสนาของตนและเมื่อได้ศึกษ า, าศาสนาของตนให้ท่องแท้แล้วก็ขอให้เราทุกคนจงพัฒนาตนเองและเรียนรู้ เช่นเดียวกับสมาชิของวงออเคสตราที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับผู้ที่นับถือาศาสนาอื่นๆได้อย่างลงรอยและกลมกลืนกันในที่สุด พุทธศรา 2,512 หลังวันเกิดอายุ18ปีของอาตมาอาตมากำลังมีความสุขกับประสบการณ์ครั้งแรกในการท่องป่าในเขตร้อนชืน้นอาตมากำลังเดินทางอยู่ในบริเวณแหลมยูคาเทนในกวัวเตมาลามุ่งหน้าสู่เอีระมิดเก่าแก่ที่เป็นถูกคนพบได้ไม่นานนะักอิยรามิด สมัยอารยธรรมมายันที่สูญสิ้นไปนานแล้วในสมัยนั้นการเดินทางยากลำบากมากต้องใช้เวลาสามถึงสี่วันทีเดียวที่จะเดินทางเพียงสองสามร้อยกิโลเมตรจากโอเตมาลาซิตี้ไปยังทิกัลซึ่งเป็นซาปราักหัดพัง ของกลุ่มโบสถวิหารดัรานอาตามาต้องนั่งเรือหาปลาที่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำมันทวนแม่น้ำสายแคบๆหลายสายในเขตป่าร้อนชืน้นนั่งบนกองสัมภาระบนรถบรรทุกซึ่งขนของเกินพิกัดจนเสี่ยงอันตรายขณะวิ่งลงเขาบนถนนที่แสนจะุดเคียวและฝุ่นคลุงแล้วยังต้องนั่งรถล่ากที่โยกเย่ และส่งเสียงเอีย๊ยดไปบนทางเล็กๆผ่านป่าดงดิบด้วยมันเป็นดินแดนที่ไกลโพ้นยากจนคนแข็งและเก่าแก่ยิ่งในที่สุดอาตมา ก, ก็ไปถึงโบราณสถานเก่าแก่ซึ่งเต็มไปด้วยซากป ร, รักหักพังมากมายของวิหารและเตีรมิตร ที่ถูกทิ้งร้างมานานอาตมาไม่มีมักกุเทศและแม้แต่นัสือท่องเที่ยวที่จะบอกอาตมาถึงความหมายของแท่งหินชี้ขึ้นฟ้าที่ดูน่าประทับใจเหล่านั้นอาตมาจึงเริ่มปีนขึ้นไปบนปีรามิดสูงๆนั้นเมื่อขึ้นไปถึงยอดปีรามิด ความหมายและจุดประสงค์ทางศาสนาของเปียรมิกเหล่านั้นก็ประจักษ์ชัดแก่ใจของอาตมาสามวันที่ผ่านมานั้นอาตมาเดินทางอยู่แต่ในป่าดงดิบทั้งถนนทางเดินและหลำน้ำเหมือนอยู่ในอุมโมงค์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียว นาทึกแม้จะเป็นทางสัญจรใหม่ใดๆป่าจะสามารถแผ่ปกคลุมราวกับเพดานอุโมงค์ได้อย่างรวดเร็วอาตมาไม่ได้เห็นเส้นขอบฟ้าเลยเป็นเวลาหลายวันจริงๆแล้วอาตมาไม่ได้เห็นอะไรไกลๆเลยออก็อาตมาอยู่ในป่าทึบนี่นะ บนยอดเบีร์นิชอาตมาอยู่เหนือป่าดงดิบนั้นไม่เพียงแต่อาตมาจะรู้ได้ว่าอาตมาอยู่หน้าจุดใดในทัศนียภาพที่ดูราวกับเป็นแผนที่ที่กางอยู่ต่อหน้าอาตมาเท่านั้นอาตมายัางสามารถมองไปจนสุดสายตาในทุกทิศทุกทางโดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอยู่แม้แต่น้อย ยืนอยู่บ น, นั้นราวกับยืนอยู่เหนือโลกทั้งใบอาตามาวาดภาพว่ามันจะเป็นเช่นไรเมื่อหนุ่มสาวชาวมายันผู้ที่เกิดในป่าดงดิบเติบโตและอาศัยอยู่ในป่าทึกตลอดชีวิตของเขาในพิธีกรรมทางาศาสนาในวาระที่เขาข้ามพ้นจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์ท่านผู้เท่าผู้ส่งศีล และส่ ง, งกัญญาจะค่อยๆตูงเขาขึ้นไปสู่ยอดสูงสุดของเทียนรมิตเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเมื่อพวกเขาผ่านท้นแนวต้นไม้ขึ้นมาเขาได้เห็นโลกในป่าทึบของเขาถูกคลี่ออกมาและวางแผ่อยู่ต่อหน้าและเมื่อเขาจ้องมองออกไปนอกขอบเขตดินแดนป่าทึบไปสู่เส้นขอบฟ้าและที่ไกลไปกว่านั้น เขาจะเห็นความว่างเปล่าที่ยิ่งใหญ่นักโอบล้อมไว้ทั้งจากเบื้องบนและโดยรอบยืนอยู่นยอดเบียร์ริคประตูระหว่างสวรรค์และโลกไม่มีบุคคลไม่มีสิ่งของไม่มีคำพูดใดๆระหว่างกันและไม่มีขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุดในทุกทิศทางความหมายที่โดดเด่นจากทัศนียภาพเบื้องหน้าก้องกังวานในจิตใจของเขาความจริงประจักษ์ชัดและนำไปสู่ปัญญาเขาได้เข้าใจตามความเป็จริ ง, รงถึงสถานะของเขาในโลกของเขาและคงจะมองเห็นทะลุถึงความไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณความว่างเปล่าอันเป็นอิสระ ซึ่งโอบร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เขาคงจะค้นพบความหมายแห่งชีวิตของเขาด้วยเราทุกคนจำเป็นจะต้องให้เวลาแก่ตัวเราเองที่จะหาความสงบสุขด้วยการปีนขึ้นไปสู่ยอดเตีรณิกแห่งจิตวิญญาณภายในตัวของเราแต่ละคนเพื่อจะได้อยู่เหนือป่า ที่สับสนวุ่นวายซึ่งก็คือชีวิตของเรานั่นเองแม้จะเป็นเวลาสั้นๆก็ยังดีเมื่อนั้นเราอาจจะได้เห็นด้วยตัวของเราเองถึงสถานภาพของเราท่ามกลางสักสิ่งทั้งหลายได้พิจารณาการดำเนินชีวิตของเราและได้เพ่งมองไปจนสุดสายตาในทุกทิศทาง โดยไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอยู่เลย หินที่มีค่าเมื่อหลายปีก่อนที่คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอเมริกาปรเฟสเซอร์คนหนึ่งได้แสดงเลคเชอร์พิเศษให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ในวิชาเศรษฐศาสตร์สังคมโดยไม่มีการอธิบายว่าเขากำลังทำอะไรปรเฟสเซอร์คนนั้นค่อยๆวางถูกแก้วใบหนึ่งลงบนโต๊ะและเอาถุงที่เต็มไปด้วยก้อนหินออกมาค่อยๆใส่ก้อนหินทีละก้อนลงในโถจนไม่สามารถจะใส่ได้อีกต่อไปเขาถามนักศึกษาว่าโถนี้เต็มหรือยัง พวกเขาตอบว่าเต็มแล้วปรเฟเซอร์ยิ้มเขาดึงถุงที่สองออกมาจากใต้โต๊ะถุงนี้เต็มไปด้วยกรวดเขาค่อยๆใส่กรวดลงในโถเขย่าวเขย่าวจนกรวดเล็กๆนั้นเข้าไปอยู่ตามซอกต า, ตาระหว่างก้อนหินในโถก็ถามนักศึกษาเป็นครั้งที่สองว่าโถนี่เต็มหรือยัง เขาตอบว่ายังไม่เต็มชักจะรู้ทางอาจารย์ของเขาแล้วแน่นอนว่าพวกเขาตอบถูกโปรเฟสเซอร์ดึงถุงซึ่งใส่ทรายละเอียดออกมาค่อยๆจัดการให้ทรายลงไปแทนที่ช่องว่างระหว่างก้อนหินและก้อนกรวดภายในโถแล้วเขาก็ถามครั้งว่าโถนี่เต็มหรือยัง ลูกศิษย์ตอบว่าอาจจะยังพวกเรารู้จักท่านอาจารย์ดีอาจารย์ยิ้มเมื่อได้ฟังคำตอบแล้วเขาก็หยิบเหยือกน้ำเล็กๆออกมาค่อยๆเทน้ำลงไปในโถที่เต็มไปด้วยก้อนหินก้อนกรวดและเม็ดทรายเมื่อใส่น้ำลงไปจนไม่สามารถจะใส่ได้อีกต่อไปเขาก็วางเหยือกลง และมองดูลูกศิษย์เขาถามบรรดา น, นักศึกษาว่าเอาละ่ะบทเรียนนี้สอนอะไรแก่พวกเธอลูกศิษย์คนหนึ่งตอบว่าไม่ว่าตารางของเราจะแน่นและยุ่งขนาดไหนก็ตามเราก็ยังสามารถเพิ่มบางอย่างเข้าไปได้เสมอนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ก็ต้องตอบอะไรอะไรตำหนองนี่แหละไม่ใช่โปรเฟสเซอร์บอกด้วยเสียงอันดังและเน้นหนะักมันแสดงให้เราเห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะใส่หินก้อนใหญ่ลงไปแล้วก็เราจะต้องใส่มันลงไปก่อนสิ่งอื่นๆมันเป็นบทเรียนเรื่องการจัดลำดับความสำคัญ ดังนั้นอะไรละ่ะที่เป็นหินก้อนใหญ่ในโถของเราอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตจงแน่ใจว่าเราได้ใส่หินที่มีค่าลงไปในตารางชีวิตก่อนมิฉนั้นเราอาจจะไม่ได้เข้าใกล้มันและใส่มันลงไปในชีวิตของเราเลยก็เป็นได้ เป็นสุขบางทีหินที่มีค่าที่สุดที่เราสมควรต้องใส่ลงไปในโถของเราก่อนสิ่งอื่นๆดังที่เล่าในเรื่องที่แล้วคือความสุขภายในหากตัวเราเองยังไม่มีความสุขเราย่อมไม่มีความสุขที่จะมอบให้แก่ผู้อื่น แล้วทำไมพวกเรามากมายจึงให้ความสำคัญกับความสุขน้อยเละเกินเลื่อนมันไปจนเป็นอันดับในท้ายหรือแม้กระทั่งหลังจากอันดับท้ายสุดดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เมื่ออาตมาอายุ14ปี อาตมากำลังเตรียมตัวสอบระดับโอ e v e l ที่โรงเรียนมัธยมในลอนดอนซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่4ของไทยพ่อแม่และครูของอาตมาแนะนำให้อาตมาหยุดเล่นฟุตบอลในตอนเย็นและวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อจะได้อยู่บ้านและใช้เวลากับการทำการบ้านท่านอธิบายความสำคัญของการสอบโอเล และบอกว่าถ้าอาตมาสอบได้คะแนนดีอาตมาจะมีความสุขอาตมาเชื่อฟังคําแนะนำและอาตมาก็สอบได้ดีแต่มันไม่ได้ทำให้อาตมามีความสุขเพราะความสำเร็จนั้นมีความหมายเพียงแค่ว่าบัดนี้อาตมาจะต้องเรียนหนักขึ้นไปอีก เป็นเวลาสองปีเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ A level ซึ่งเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาปีที่6ของไทยพ่อแม่และครูจึงแนะนำไม่ให้ออกเที่ยวยามค่ำคืนและในวันเสาร์อาทิตย์และไม่ให้ไล่จีผู้หญิงแต่ให้อยู่บ้านเพื่อท่องหนังสือท่านอธิบายความสำคัญของการสอบ A level และบอกว่า ถ้าอาตมาสอบได้คะแนนดีอาตมาจะมีความสุขครั้งนี้ก็เช่นกันที่อาตมาเชื่อฟังคำแนะนำและอาตมาก็สอบได้ดีแล้วก็อีกครั้งเช่นกันที่มันไม่ได้ทำให้อาตมามีความสุขเท่าไหร่เพราะบัดนี้อาตมาจะต้องเรียนหนักที่สุดอีกตั้งสามปีที่แสนจะยาวนาน เพื่อจะได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยแม่และอาจารย์ซึ่งถึงเวลานี้พ่อของอาตมาก็ได้จากไปเสียแล้วแนะนำให้อาตมาอยู่ไกลๆจากบาและงานเลี้ยงต่างๆในมหาวิทยาลัยจะได้ให้เวลาเต็มที่กับการเรียนท่านบอกอาตมาว่า ปริญญาจากมหาวิทยาลัยสำคัญมากและถ้าอาตมาทำได้ดีอาตมาจะมีความสุขมาถึงจุดนี้อาตมาจักจะเริ่มสงสัยจะแล้วละอาตมาเห็นเพื่อนรุ่นพี่บางคนที่เรียนหนักมากและได้รับปริญญาแล้ว เดี๋ยวนี้พวกเขากำลังทำงานแรกของเขาย่างหนักยิ่งเพื่อจะได้เก็บหอมรอมริษให้ได้เงินมากพอที่จะซื้อของจำเป็นเช่นรถยนต์เขาบอกอาตมาว่าเมื่อพี่มีเงินมากพอที่จะซื้อรถสักคันพี่จะมีความสุขแต่เมื่อเขาหาเงินได้มากพอ และได้ซื้อรถยนต์คันแรกแล้วเขาก็ยังไม่มีความสุขอยู่นั่นแหละคราวนี้เขาทำงานหนักเพื่อจะซื้อของอื่นๆซึ่งจะทำให้เขามีความสุขหรือไม่เขาก็กำลังวุ่นวายสับสนเรื่องความรักสอบแสวงหาคู่ชีวิตเขาบอกอาตมาว่าถ้าพี่ได้แต่งงานลงหลักปักฐานแล้ว พี่จะได้มีความสุขสถีเมื่อแต่งงานแล้วเขาก็ยังคงไม่มีความสุขเขาต้องทำงานหนักขึ้นไปกว่าเก่ารับงานพิเศษเพิ่มขึ้นเพื่อเก็บหอมรอมริกเมื่อเป็นค่ามัดจำสำหรับห้องชุดหรือบ้านเล็กๆสักหลังเขาบอกอาตมาว่า ถ้าเรามีบ้านของเราเองเมื่อไรเราจะมีความสุขเป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าการที่ต้องผ่อนจ่ายจำระค่าบ้านอื่นรายเดือนนั้นย่อมทำให้พวกเขาไม่ถึงซึ่งความสุขยิ่งไปกว่านั้นบัดนี้เขาเริ่มตั้งครอบครัว มีลูกที่ทาให้เขาต้องตื่นกลางดึกกลืนกินเงินทั้งหมดที่เขาเจียดไว้เพิ่มความวิตกกังวนน า, นานาประการแก่เขาอย่างมหาศาลคราวนี้คงจะเป็นอีกยี่สิบปีข้างหน้าหรอกที่เขาจะสามารถทำอะไรอย่างที่เขาต้องการได้เขาจึงบอกอาตมาว่าเมื่อใดที่ลูกๆโตพอที่จะออกจากบ้านไปตั้งตัวเองได้เมื่อนั้นแหละ เราจึงจะมีความสุขกว่าลูกๆจะโตพอที่จะจากบ้านไปพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ใกล้ถึงเวลาที่จะปลดเกษียณดังนั้นเขาจึงต้องเลื่อนเวลาความสุขออกไปอีกเขาต้องทำงานหนะักเพื่อจะอดออมไว้ใช้ในยามแก่เขาบอกอาตมาว่าเกษียณเมื่อไหร่ เราจะได้มีความสุขสักทีแน่นอนว่าเมื่อเขากเกษียณแล้วหรืออาจจะก่อนด้วยซ้ำเขาจะเริ่มสนใจาศาสนาและเริ่มไปโบทโยมเคยสังเกตไหมว่ามีคนแก่ๆจำนวนเท่าไหร่ ที่ครอบครองมานั่งในโบสถ์นะ่ะอาตมาถามเขาว่าเขาไปโบสถ์กันทำไมเขาตอบว่าเพราะว่าตายแล้วเราจะมีความสุขสำหรับผู้ที่เชื่อว่าเมื่อฉันได้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วฉันจึงจะมีความสุขความสุขของเขาจะเป็นแค่ความฝันในอนาคตเท่านั้น มันจะเป็นเหมือนสายรุ้งที่อยู่เบื้องหน้าเราเพียงไม่กีก่ก้าวแต่เราไม่มีวันเอื้อมถึงเขาจะไม่มีวันเข้าถึงความสุขที่เขาต้องการในว่าชาตินี้หรือชาติหน้า ในหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในเม็กซิโกชายชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งมาพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านนี้กำลังเฝ้าดูชาวประมงคนหนึ่งขนปลาที่เขาจับได้ในช้า ว, วันนั้นลงจากเรือ ชายชาวอเมริกันคนนี้เป็นโปรฟเฟเซอร์ที่ประสบความสาเร็จสูงเขาสอนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากด้านนี้ดังนั้นเขาจงอดไม่ได้ที่จะให้คำแนะนำสักเล็กน้อยแก่ชายชาวประมงเม็กซิกันโดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ เริ่มบทสนทนาทำไมนายถึงเลิกจับปลาแต่เช้าอย่างนี้เล่าเพราะผมจับปลาได้เพียงพอแล้วสิครับสินยอชาวมิสิกันตอบอย่างอารมณ์ดีเพียงพอที่จะเป็นอาหารสำหรับครอบครัวแล้วยังเหลืออีกเล็กน้อยไปขายด้วยเดี๋ยวผมก็จะไปกินข้าวกลางวันกับเมียแล้วงีบเจสตาสักหน่อยตอนไลย ตื่นมาเล่นกับลูกๆหลังอาหารเย็นผมก็จะไปร้านเหล้าดื่มเตกิล่าสักหน่อยเล่นกีต้ากับเพื่อนๆมันเพียงพอสำหรับผมแล้วครับสิงยอนี่แนะ่สหายฟังผมนะ ท่านร r o f e s s o r ด้านธุรกิจคู่ท่านนายอยู่ในทะเลจนถึงบ่ายแก่ๆ แ, แล้วก็นายจะจับปลาได้มากขึ้นสักสองเท่าอย่างสบายๆนายขายปลาที่เหลือจากที่กินในครอบครัวรูปรวมเงินสักหกเดือนหรืออาจจะเก้าเดือนนายก็จะสามารถซื้อเรือที่ใหญ่กว่าและดีกว่าลำนี้แล้วก็จ้างลูกเรือด้วยทีนี้ นายจะสามารถจับปลาได้มากขึ้นถึงสี่เท่าคิดสิว่านายจะทำเงินได้มากขนาดไหนภายในปีหรือสองปีนายจะมีเงินลงทุนซื้อเรือหาปลาลำที่สองแล้วจ้างลูกเรืออีกทีมถ้านายทำตามแผนธุรกิจนี้นะภายในหหรือเจปีนายจะได้เป็นเจ้าของกองเรือประมงขนาดใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง ลองวาดภาพดูสิจากนั้นนายควรจะย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่เม็กซิโกซิตี้หรือจะที่ LA ก็ยังได้แค่3หรือ4ปีใน LA นายเอาบริษัทของนายเข้าตลาดหุ้นตั้งตัวนายเองเป็นซี O รับเงินเดือนพร้อมผลตอบแทนก้อนงามหรือจะเลือกเป็นหุ้นจํานวนมากแทนก็ได้ แล้วอีกไม่กี่ปีต่อจากนั้นฟังให้ดีนะนายก็เริ่มแผนการซื้อหุ้นบริษัทคืนซึ่งจะทำให้นายกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีรับประกันเลยละ่ะผมน่ะเป็นโปรเฟสเซอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในมหาวิทยาลัยทางธุรกิจในสหรัฐนะผมรู้เรื่องพวกนี้ดี ชายชาวประมงเม็กซิกันตั้งอกตั้งใจฟังทุกอย่างที่ชาวอเมริกันพูดเมื่อโปรเฟสเซอร์พูดจบเขาจึงถามขึ้นว่าซินยอโปรเฟสเซอร์ครับแล้วผมจะเอาเงินหลายล้านดอลลาร์นั้นไปทำอะไรหรอครับ เรื่องที่น่าแปลกใจยิง่งที่โปรเฟสเซอร์ชาวอเมริกันไม่เคยได้คิดแผนธุรกิจไกลไปถึงขนาดนั้นดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดสรรตะอย่างรวดเร็วว่าคนคนหนึ่งจะทำอะไรกับเงินหลายล้านดอลาร์สหายเมื่อมีเงินมากมา นายก็เลิกทํางานนะสิใช่แล้วเลิกทำงานตลอดชีวิตเลยนายก็ซื้อวิลล่าเล็กๆสักหลังในหมู่บ้านที่งามราวกับภาพวาดเช่นหมู่บ้านนี้แหละแล้วซื้อเรือลำเล็กๆสักลาไว้ออกไปตกปลาในตอนเช้ากลับมากินอาหารกลางวันกับเมียได้ทุกวันเงียบเชียสตาร์สักหน่อยโดยไม่มีอะไรต้องกังวล ตอนบ่ายก็ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับลูกๆของนายหลังอาหารเย็นก็ออกไปเล่นกีตา้ากับเพื่อนๆที่ร้านเหล้าดื่มเตกีฬาสันหน่อยใช่แล้วด้วยเงินมากมายขนาดนั้นเพื่อนเอ้ยนายก็เลิกทา ง, งานแล้วก็ใช้ชีวิตให้สบายไปเลยเซนจ์ยอปรเฟเซอร์ครับ ผมกำลังทำทุกอย่างที่ว่านั้นอยู่แล้วนี่ครับทำไมพวกเราจึางเชื่อกันนักว่าเราจะต้องทำงานหนักและร่ำรวยซะก่อนแล้วจึงจะหาความพอใจได้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 เมื่อเรามีความพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เท่านั้นเราจึงจะรู้จักคำว่าพอ